สิบสมถะสมถัะตะตภากิยวาระวาระว่าด้วยสมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะส0 0สมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะสมถะเป็นส่วนอื่นแห่งสมถะสมถะที่เป็นส่วนนั้นแห่งสมถะก็มีสมถะที่เป็นส่วนอื่นแห่งสมถะก็มีถาม สมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะอย่างไรสมถะเป็นส่วนอื่นแห่งสมถะอย่างไรตอบเยพุยสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวิไนเป็นส่วนอื่นแห่งสติวินยัยอมมระหาวิไนปฏิญญาตะกาวรณะตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐะรกะสติวินัยเป็นส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวิไน เป็นส่วนอื่นแห่งอมูรหาวินัยปตินยาตการณะตาสปาปิยาสิกาตินวัฏฐารกะเยปุยาสิกาอมูรหาวิไยเป็นส่วนนั้นแห่งสามุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งปตินยาตการณะตาสปาปิยาสิกาตินวัฏฐารกะเยปุยาสิกาสติวิันปฏิญยาตการณะ เป็นส่วนนั้นแห่งสั ม, มุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเยปุยสิกาสติวิน ICA, ัยอมูระหะวิัยตัดสปาปิยสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งสำมมุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งตินวัฏฐากะเยปุยสิกาสติวิไนอมูระหาวิไนปฏิญญาตกรณะ ินวัฏฐากะเป็นส่วนนั้นแห่งสัมมุขวิไนเป็นส่วนอื่นแห่งเยปุยสิกาสติวินยัยอมูระหาวินาันปฏิญญาตการณะตัดสปาปิยสิกาสมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะอย่างนี้สมถะเป็นส่วนอื่นแห่งสมถะอย่างนี้สมถาสมถัสสะตัดพาคิยวาระที่สิบจบ